โบน่าครับสวัสดีครับโบน่าคุณรู้จักโบน่าอีแซงหรือเปล่าเออบอกเขาด้วยพอดี ตอนเช้าแต่ประหาตูห้องมันไม่ได้ห้องนะแล้วโทรบอกผมนะเอา แค่หัวหน้านะคนนึงต้องนูบบายแล้วคนยกกันไอ้คุณจะสมัยว่าอ่านูบบายนูบ หัวหน้าหัวหน้าเบอร์อะไรเอาเบอร์กูนะผมด้วยเบอร์กูนะเบอร์กูไม่ได้ยินเงียบๆ จะเรียกบอกเค้านะอีครูหน้าคนนึงเค้าชื่อ ก็ tipo ผมขยาดใจเท่าไหร่นะเพราะดิคุณก็เห็นว่าผมไม่เคยรับโทรศัพท์ ก็เอาจําๆนะโทรมาขอเกรดไม่ต้องเลยนะอ่ะเอาธีรวงศ์ธีรวงศ์เอานี้ก่อนเดี๋ยวผมจะผมต่อผมไม่ตอบไปเร็วผมยึดนะ คราวนี้ในการตัดสินใจเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราก็มีปัญหาหรือว่าเรา population ตัว population เสมอเอาไว้ population คือประชากรไม่ใช่คําจํานวนใช่มั้ยประชากรนี้แปลว่าอะไรพวกเราจะมา ช่วงนี้วิชาสิทธิจะทีนมากหรือเปล่าแต่ยิ่งไกลกว่าเริ่มตาไปยิ่งทีนมากคือวิชาออก ก็คงไม่มีข้อเสียอยู่ว่าแล้วประชากรเค้าคือคนที่มีสิทธิ์ ประชากรคงจะไม่จริงๆที่คนจะศึกษาคือ process เป็นกระบวนการ ส่วนมากเราเข้าใจว่าพารามิเตอร์จะต้องถึงชิ้นงานจริงๆๆๆไม่จําเป็น population ในวิชาสถิติมันหมายถึงอะไรก็ วัดไม่ได้คุณก็เลยต้องไปวัดผ่านผลิตภาพอยู่โซดาแครนั้นในนิโซกามเนี่ยส่วนมากกระบวนการจากการเป็น ครับอันนี้คือออปชั่นที่ว่าคุณสนใจศึกษาเลยนะบดีคุณนะในนี้หัวเป็นประชากรนะครับอันนี้คือตัวแรกสุดตัวเก็บไว้ก่อนนะไม่ตายไม่เครื่องปัญหาคือต่อมาเมื่อมีประชากรแล้วคุณมี ที่ก็ครึ่งนึงประมาณ 3 ล้าน 30 ล้านต่อคนไปถาม สํารวจเราเลยต้องขอตัวอย่างได้หรือเปล่า 2 ประเภทผลนะ 1 ขอคุณเยอะมากพี่เป็นญาติอีกหมด 2 คือประชากรกลุ่มเป็นกระบวนการถูก เข้ามาจากอรําโพเฮ้ยโงกว่ะโตๆอีกแขนอีกแขนไง การที่คุณต้องใช้แต่ตัวอย่างแซมเปิ้ลหรือตัวอย่างนะมี 2 เหตุผล 1 คือผลอยู่นะคราวนี้พอมี ผมจะศึกษาไดเรกเตอร์ของชิ้นงาน 10 ชิ้นและวัด 10 ชิ้นเอามาบวกกันหรือสแตทิสติกทําแบบนี้นะแต่ editor แล้วเฉลี่ยค่าเฉลี่ยที่ได้เราจะ parameter ถูกมั้ยงงใช่ parameter คือตัวที่มี 10 ตัว เพราะว่าถ้าจะเนี่ยค่าเฉลี่ยที่ได้เราเรียกว่า อักษรคำนามและบุรุษกาลใช่ป่ะข้อตัวคําสันศัพท์ในวิชาสิทธิ์ก็เลยใช้สันนิราษณ์แยกกันด้วย 2 ภาษานะตัวสิทธิ์เปอร์เซ็นต์ก็ใช้ตัว เอริซิียตัวนี้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษไม่ดีนะเรียกภาษาอังกฤษตัวหนังสือเนี่ยอักษรเนี่ยคือ x บาทในค่าเฉลี่ยแต่เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัวอย่างถ้า x บาทคือประกอบ ดาวน์บูทเมลแต่ว่าคุณอยากการเช่นสมมุติประชากรคุณเนี่ยคือนักเรียนจะครบเท่า เช่นเดียวกันถ้าคุณอยากหาการกระจายด้วยบน SD ว่าได้สีรู้กันนะเดี๋ยวผมลง เราอยากได้ธีราปีเตอร์แต่สิ่งที่เราได้ตรงสิริทั้งตรงนี้ไม่ได้หรอกถ้ากับถ้าประชากรคุณไปกระบวนการนี้เริ่มเลย มันสามารถแผนภาพอัลกอริทึมได้อ่ะได้ไปเรียนว่าเก็บมา 10 แต่อันดับแรกตอนนี้สิ่งที่คุณต้องแยกให้ออกก่อนคือตัวอสํตรีของ x ใหม่ ว่าค่าเจรจาภารกิจเอ่อประชากรตรงอยู่ตรงนี้นะวันทาง เลือกตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีต้องคุณสมบัติครบนะตัวอย่างที่ดีต้องสามารถแทน เซชั่นคือการสุ่มข้อสุ่มแปลว่าอะไรสุ่ม เลือกยังไงอ่ะสุ่มเราบ่บวกก็สุ่มอ่ะเพราะคุณไม่รู้ว่าสิ่งคืออะไรทําให้คุณเนี่ยไม่ถูกเค้าก็สุ่มแรนดอม ต้องให้โอกาสในการเกิดของประชากรเนี่ยมีค่าที่เท่าลําเอียง เดี๋ยวอ่ะถ้าคําว่าสุ่มมันไม่ใช่อะไรก็ได้พวกเราสุ่มอะไรก็ได้อ่ะก็หยิบเอาง่ายๆดิจากบนเนี่ยย้อนหลัง แสนโห่แสนด้วยแค่คนเดียวก็สมหรอแสนนึงเป็น 100 เลือกมาแค่ใบเดียว <Wh> มันโกยบิข้างล่างมันจะขึ้นโอกาสได้เกิดไม่ได้รู้ว่าไปตายก็รู้ว่าใครส่งอยู่ข้างล่างสวยอย่างเดียวว่าไม่ส่งอ่ะส่งๆถูกป่ะให้ ครับการสุ่ม 4 อย่างเอ่อคุณอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเจอคาที่แล้ว Simple Random Sampling เป็นการง่ายสุด Simple ได้อันนี้คุณ ทำตราทำปิงปองทำอะไรก็ได้ไปถามแล้วเนี่ยเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขในการสุ่มทำ 10 ใบอย่างเนี้ยโอกาสเกิด 1 ใบ 10 ใบอย่างเงี้ย 1,000 ใบไม่ เพราะถ้าเป็น 100 ล้านบาทเหรอซิมเปิ้ลแรนดอมไม่ได้เห็นป่ะโอกาสเกิดไม่เท่ากันแล้วไม่ครับถ้าการว่าเรียกสุ่มแบบมีเลข ID ก็มาถึงก็ ว่ามันอาจจะมีบาง 2 ขึ้นมาเค้าเรียก systematic random systematic ก็ว่าเป็นระบบ random ก็สุ่มเลือกส่วนทํา เหมือนกันเรียนละดอ 5 กลุ่มผู้ทํางานให้น้องเข้าข่าวแล้วนับถูกมั้ย 2>, <น> 2>, 2 3 4 5 ครับเป็น 2 3 4 5 นะถูกป่ะต้น 1 กว่า เอ๊ะเขา systematic การดำพล้าโอแกมันจะเลือกประชากรให 15 ให้ให้เด็กว่าเป็นน้องๆก็มี 2 อ่ะใคร 2 มาบทว่าอย่าง systematic คือ ทุกโอกาสทุกคนมีโอกาสเกิดเท่ากันหมดมาก็ให้ใส่เลข รหัสนักศึกษาตัวใครหมายเลขรหัสนักศึกษาลงท้ายเป็น 22 อะไรเงี้ยแล้วก็สุ่มด้วยกันส้น 22 ก็อย่างเงี้ยนี่ก็เรียกกันสุ่มแบบนี้เหมือนกัน เราเลือกผ่านโครงการบางอย่างโดยที่เราเอาตัวชันะเช่นเนาะทุกๆชั่วโมงเนี่ยไปอยู่ ครับแต่ข้อเสียของการหรือรายงานพนักงานเป็นหลักอ่าเดี๋ยว สิ่งที่คุณได้เนี่ยมันจะเป็นงานรุ่นตั้งใจมาช่วงเนี้ยอ่ะรู้นี้ตั้งใจทําไว้ดีกว่า อันแรก 2 systematic random 3 ถัด Startify stratified cost stratum stratified เนี่ยเดี๋ยวอัน 3 นี่มัน 3 เนี่ยมัน แล้วคุณต้องการจะได้ตัวแทนจากทุกหน่วยเช่นนี้กองเห็นป่ะเอ่อวิศวกรรมศาสตร์เคมีโยธาไฟฟ้าก็แบ่ง แต่ทั้งหมดคือเหมือนกันนะทั้งหมดคือนักศึกษาเพราะเค้าประชาตอนผมสนใจคือคือได้ศึกษาตั้งมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่บังเอิญผมมีความรู้สึกว่าประชากรทั้งกอเนี่ยมัน หมายถึงไอ้คือจุดความเฉพาะทางของคุณเองว่าคุณมีความรู้ว่าประชากรของ สุดท้าย multi state ตัว multi state เนี่ยคือนี้ว่าการคือสุ่มแล้วสุ่มอีกเป็นการเลือกซ้อนการ นะตัวอย่างที่ชัดสุดก็คือไอ้ไทยไปไปสลิปท้ายไปศิลป์บัตร ก็เมื่อเช้าเออนี่ก็มีการประกันแต่รุ่นยุติการนะเฮ้ยอัปเดตคือ 1 ใบมันต้องลงเค้าจังหวัดนึงอ่ะ 77 กอวะแล้วเราก็ทํา วะอ่ะสมมุติได้จังหวัดเอ่อนครสวรรค์ถูกป่ะแต่ว่า<า> ป่ะแบ่งอีกแล้วก็มีเกี่ยวเพิ่มเอาไปเรื่อยอ่ะจนกว่าคุณ อันนี้เค้าบอกว่าเป็นสเตทไงดิเสิร์ทไม่รู้แบ่งไปเลยถูกป่ะโอเคนะมันมันเรียกแบบนี้นะไอ้นี่แบ่งกองแล้วเลือกจากทุกกองอันนี้ไม่ใช่นะนี่แบ่งกองเราเลือกกองนี้แล้วกองที่คุณแบ่ง ก็นะครับจะชื่อจังหวัดโอกาสด้วยจังหวัดไหนไม่รู้เหมือนกันก็มีจังหวัดเกิดแรงนะก็ให้จังหวัดเป็นตัวแทน เราก็มาบังบังบังกล่องเลือกนะครับประมาณ 2 อย 1, 2 อย่างหรือจะ 2 เหลือ 2 3 นี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่การเลือกอันนี้เนี่ยเค้า probability นะครับคือทุกอกทุกยูนิตมีโอกาสทางสถิติมันจะมีการแซมปลิ้ง โอกาสเกิดไม่เท่ากันซึ่งเกิดเจอมากทางสายมนุษยศาสตร์ง่ายๆจริงๆแล้วเค้าอยากสอบถามประชากรทั่วประเทศหรือเปล่า คือตัวตัวอย่างที่ได้มาไม่เป็นตัวแทนประชากรถูกป่ะอันเนี้ยคือการ ส่วนที่ถาม 2,000 คนเราเป็นตัวแทนประชากร 20 ล้านคนเงี้ยก็ไป 2,000 คนหรือเปล่าแต่ถ้าโอเค <นะ S 2> 2,000 ก็ดู<ะ> 2,000 เจอใครก็ถามเป็นตัว ตัวอย่างคุณเนี่ยเป็นตัวแทนประชากรนะครับงั้นสุ่มเราจะใช้ สุ่มเนี่ยยังไม่ได้ข้อมูลนะสุ่มครูได้ตัวอย่างหรือเปล่าคุณได้ชิ้นงาน แน่นผมอยากดูกระบวนการอ๋อมันดูตามไดมิเตอร์เคยมีใช่มีเกี่ยวกับความ product characteristic เนี่ย data แต่คราวนี้การ เมเชอร์คือแปรสมบัติท้ายเชอร์ในการวัดนะใจเรียกเมเชอร์เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ย นี่ต้องนั่งนับเอาเพราะ 3 ชิ้นเดี๋ยวนี้อุ่นนับไม่ได้วัดงั้นเนี่ยคือการแปลงให้ๆวัดกับน้ําคุณแบ่ง บอลนะบอลนะจํานวนตําหนิค่ามูลค่าที่เป็นบาทเงินเงินเงิน แจ้งหอยครับครับนัดถูกวัดค่ะพอหรือคุณไปแบงค์คุณไปแบงค์ไปถอนเงินหน้าแคชชิหน้าหน้าเคาน์เตอร์ถอนเสร็จเค้าจะบอกคุณว่าเงินคือวันโอเควัดครับ คุณนับมูลค่าคุณนับไม่ได้ที่ใช้แทนมูลค่าของเงินจนบาทเป็นวัดแต่ภาษาคนเราเรียกนับจํานวนแบงค์งั้น ว่า 1, 1 เหรียญ 2 เหรียญแล้วคุณก็คูณ ก็คิดกว่าเลยไม่ได้อ่ะโต๊ะจอกแตกรางเองเท่าที่จะบอกเลยถึง แบ่งแล้ววันนึง อธิบายเชื้อคุณภาพนะหรือว่าคุณเรียนดิฟฟิกกับคอนทินิวอัสยังนะอย่าเข้าดูกับเข้าวินอ่ะไม่เรียนหรออ่ะ acid build เป็นคุณลักษณะคุณแบ่งออกมั้ยน้ำหนักส่วนหมดค่า pH ปฏิบัติไปหมดดีไม่ดีสวยไม่สวย acid build ถ้าพูดง่าย ว่านี่คือแบ่งตามพารามิเตอร์เป็น variable แบบ static ก็ต้องหาแต่แบบข้อมูลวัดแบ่งตามสเกล 4 อันคํา scale สเกลคือคล้ายๆกับหน่วยในการกําแนกอ่ะนะสเกล Yes. เรียนระดับตามหยาบสุดไปละเอียดสุดหยาบสุดนอร์มินอลสเกลนอร์มินอลคือตรงท้ายเพราะงเนี่ยแบบนอร์มินอลเป็นตัวแทน วะสเกลตัวนี้เอามาเรียงลําดับไม่ได้ไม่มีตัวอย่างคุณพวกชื่อชื่อคณะ ถ้ามาเริ่มถัดมา ordinal scale ordinal คือ order คือลำดับนั่นแปลความว่า a b c d ถูกป่ะรู้ว่า a b b ต้อง c คือเอามา ไอ้แก่กาวอย่างสุดคือว่า XL LM อันนี้รู้เป็นเป็นออนเป็นออริจินอลเรียงลําดับพอจะบอกได้อ่ะ เดี๋ยวพูดจะเจอจะปล่อยว่าตอนทําแบบสอบถามถูกป่ะคุณชอบอันนี้มั้ยถูกป่ะถูกมั้ยชอบมากหรือเปล่าคือมันพอจะแรงค์ได้แต่ถามว่าเท่าไหร่ไม่รู้ ครับผ่านมาต้นล่างคืออินเทอร์โวลสเกลอินเทอร์โวลคือช่วงเป็นการแบ่งให้เป็นช่วงละคราวนี้จะดี เช่นคุณแปลงคุณวัดอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยสมมติมี tolerance แบบ 20 องศารู้แล้วว่าต่างกันเท่าไหร่อยู่ภูมิ <c oughs> แต่มีความต่างอีก 1 เรื่องนะครับก็ 0 ไม่สุนมีนซีโร่อีกนี่คือ เขียนว่า 0 ไม่แปลว่าไม่มีเขียนว่า 0 แปลว่าอ่ะตัวอย่างง่ายๆวันเนี้ยคุณกลับไป 0 องศาเซลเซียสมันคือตัวเลขที่เขาใช้อ้างอิงจุดเยียบแข็งหรือเปล่าเค้าได้ 0 องศาแต่ 0 องศาไม่ได้แปลว่า 3 อาทิตย์ควิซได้อง 0 ใช่ป่ะไอ้ชายคุณน่ะมีความรู้จะมีตอบไม่ถูกที่มีตอบแบบ scale เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวเลข 0 ไม่ได้บอกว่า 0 แต่ 0 มันคือถูกการว่า 0 น่ะถูก 32 ฝรั่งไทยครับถูกมั้ยนั้นมีความหมายว่าไม่ ถ้าอาจารย์จะถามไม่ต้องมาตอบคุณรู้ป่ะไปตอบอะไรมึงรู้ไม่ต้องถามก็เลยได้สูญไงถูกมั้ยเพราะฉะนั้นที่คือโลกมีเงินแต่ถ้าตัวล่างตัวล่าง 0 แปลว่าทรัพย์สินกระแสไม่มีเลยถูกป่ะพอมีเงิน 0 บาทแปลเป็นกี่ดอลลาร์ก็ 0 ดอลลาร์นี้ 0 ไม่ได้แปลว่า <laughs> 0 อันนี้ 0 คือไม่มีจริงนะครับ น้ำหนักเป็นเท่าไหร่น้ำหนักของคุณ 0 ใช่ป่ะมีโกมีโกละดาดไปเต็มมันใหม่ถูกป่ะเกินนะฉันแปล 2 ตัว ก็เป็นสบายไปเข้ามหเฌอปริมาณไอ้อ่ะคราวนี้ได้ข้อมูลแล้วนะได้ data 2 เรื่องที่ คืออัตราเศษ 2 กี่วิชาน่ะตาว่าไหนอัตราเศษเอ่อกี่วิชาน่ะคำเป็นกรรมแล้วมันต่างไงวะคือคำถูกต้องเป็นข้อมูลเออความก็คือความก็ถูกต้องอย่างที่แปล อะไรอ่ะเนี่ยทําเล่นแล้วทําถูกต้องมีผู้สบายที่บ้านถูกต้องแล้วไม่ได้ทําถูกบอกว่าเนี่ย มีแหวะเนี่ยตกลงก็มีโอกาสเฮ้ยต้องตัดโอกาสนี้เข้าไปดิฮะ โอ้วะมันอันนี้ถูกต้องไม่เป็นยามไม่เป็น แล้วละษาแตกกันอีกชั้นคุณจะเลือกใครตัว 2 1 ตัวหรือเปล่า 2 3 เลือกใคร 3 2 อ่ะผมถามอีกข้างน้อยใครทําไมเลือกค่ะ 2 ไม่ถูกเนี่ยรู้ป่ะเลือก เรือใครไปทํามาแล้วเค้า 47 สีสีไปได้มั้ยคนเลือกเรือใครเรือ แก้ปัญหาง่ายกว่ากัน 2 เปล่าวะแก้เรื่องความถูกต้องกับแก้ความบันดาลอ๋อ<อ> 2 ไม่ได้อย่างไหนล่ะมึงไม่นิ่งรู้ว่าตาเราดีแล้วแต่มึงไม่นิ่งสวยลูกอ่ะมือจบรู้ว่า เพราะฉะนั้น 2 คือสภาพนี้ความถูกต้องแก้ง่ายสุดความ calibration โยราเพราะทําอะไรไม่ต้องอะไร calibration นี่การเซต 0 เซตซีโร่ accuracy เท่าการ calibration ไม่เรื่อง precision นะครับอะไรเอี่ยแล้วก็ แถวประกาศให้มีการประสิทธิภาพ 0.7 เพราะคุณวัดแล้วไม่ตรงแต่ถ้าปัญหามันคือไม่นิ่งวัดซ้ํากี่ที เข้าใจว่ามีปัญหาอะไรก็ส่งแชทบอกอ่ะมาถึงเรื่องที่คุณถนัดที่สุดละนี่เมื่อมีข้อ เขาก็มุงมาคำนวณได้ผลแล้วคุณเข้าใจถูกแค่แต่ไม่แปลกใจผมรู้มาตั้งแต่อย่างงั้นก็ตอนเรียนมา ให้มันคำนวณได้เหรอไม่มียาด่ามันไปเก็บเองดิวะไม่ว่าอยากจะให้มันเก็บเองว่าเอ้ยไอ้นี่เพราะคุณคำนวณแค่ตายหรือว่าคุณว่า แต่ความปัญหาคุณถึงสูงข้างบนนี่แล้วเก็บอะไรมาวะนี่แค่เก็บพนาหรือเปล่ามันแปลกๆรู้ป่ะแค่ คุณไม่น่าจะสมเลยเข้ามาดูมาหรือป่ะโง่ไม่หวยวิลาเวงด้วยก็มาหาว่าสถิติ ครับคือความเลือกใหญ่ในการใช้งานส่วนมากอยู่ตรงนี้แหละทํานู่นทําขอว่าข้อมูลเรื่องนี้นะไอ้หวัด ว่าไปเข้าถูกคุณก็ขยับดีๆนี่เองไม่มี วะเข้าโรงงานก็มีเจอปัญหาอยู่หมดคือมีตัว 4 กับ 5 ตัวจากทําไมซุปเปอร์คิดบอกว่า 4 กับ 5 ไม่ใช่อ่ะคือว่าคุณหรอกูมันพยายามทําแค่เนี้ย 5 ตัวก็ 5 ตัววะ 2 ตัว เข้าใจหรือบางครั้งเนี่ยพอที่ได้ข้อมูลมัน 1 ตัวเนี่ยคุณใช้เวลาเป็นวันว่าที่จะทดลองทางแลบเนี่ยบางทีมันใช้เวลาเยอะมากคุณก็ได้ทําต่อรองสอนน้อยหน่อยเนี่ยว่าคือก็เข้าใจ 4 5 ตัวนะ มาอํานนวยการวิธีการคํานวณนี้ไม่จบนะแต่ส่วนมากเราจบแค่ ว่าตรงนี้เองอ่ะที่คุณต้องใช้คือความแต่ถ้าคุณไม่ ผมเลือกตัดสินใจอะไรดีกว่าว่าเปลืองผมเนี่ยมี เวลาคุณสมิทธิ์มีใช้งานให้นึกถึงไม่เสมอนะครับ 2 ตัวเค้าเรียก Best Fit Statistic กับ Inventional Statistic ซึ่ง 2 ปีใหญ่เลยนะไอ้ Inventional อันนี้ descriptive ก็เรียกนี้อันนี้ descriptive เนี่ยภาษาไทยก็เรียกสถิติเชิงพรรณนามันคน descriptive เพราะว่าบรรยายอธิบายได้สถิติเชิงพรรณนา inferential อนุมานมัน specific เชิงอนุมานง่ายสุดเลยนะคะ ให้คนที่ไม่มีความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าข้อมูลที่คุณใช้มัน มันมากพอเท่าไหร่ก็เป็นอย่าง 100 ตัวอยากจะมากพอคุณแค่ 10 ได้ข้อมูลอยู่ 5 ตัวสมมุติยาครับอินเทลเจ็คคือเท่าไหร่ก็ตามข้อมูลคุณน้อยนะ บางครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าสถิติอย่างง่ายเพราะพอมันตัดเรื่องความต้องการเป็นเนี่ยมันเลยง่าย basic stat พอมีความน่าจําเป็นเนี่ยมันเลยเริ่มยากละมันมีโอกาสเข้ามามันต้องชี้นู่นชี้นี่มันแต่ 2 ตัวนี้เนี่ยใช้ตอบคําถามเดียว ก็ต้องดู 10 ตัว 7 ตัวที่ถือน้อย 50 ทดลองงาน 50 ตัวทําไม่ 2 ปีก็เสร็จเลยไม่เสร็จเลยป่ะทําแลบในแค่นี้ ครับสุดอันเนี้ยจะเรียนต่อไปถึง info นี้ข้อค่า to info นี่คือ เป็นคุณแดงมากอ่าดิริดิริครับเกี่ยวกับคุณผู้ชมทุกคนๆอยู่เลยนะที่ <c oughs>